ตอนที่หกทำไมคุณถึงยังไม่ตายไม่รบกวนแล้วละบุญคุณช่วยชีวิตนั้นชดใช้ไปนานแล้วทั้งช่วยเขียนหนังสือแนะนําตัวทั้งช่วยจัดการที่พักให้พวกเราอี๋ลีชิงผิงยังคงยืนกรานคําเดิมนางไม่ใช่คนประเภทที่ชอบทวงบุญคุณเพื่อหวังผลตอบแทนเจิ้งหยุนฉงเป็นคนที่นางช่วยชีวิตไว้ก็จริงแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นพระชายผู้นี้ยังไม่ถึงคาดด้วยลีชิงผิงจะไม่เมาเอาความดีความชอบทั้งหมดมาไว้ที่ตัวเอง สำหรับพวกคุณอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่สำหรับผมมันสําคัญมากเจงหยุนฉงกล่าวด้วยน้ําเสียงจริงจังคุณแม่ของผมเตรียมการไว้หมดแล้วอย่าปฏิเสธเลยครับตกลงถ้าอย่างนั้นหลังจากเลี้ยงข้าวพวกเรามื้อนี้แล้วต่อไปก็ไม่ต้องพูดเรื่องบุญคุณช่วยชีวิตอีกนะลีชิงพิงยกยิ้มมุมปากพลางเอ่ยตอบหรือหว่านลอบคิดในใจว่าพ่อเฮงซวยของนางกําลังจะกลับมาแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเรื่องเราก็เริ่มจะน่าสนุกขึ้นเรื่อยๆแล้วสินะคนที่กลับมาพร้อมกับเขาจะต้องมีนางเ อ, งเอกรวมอยู่ด้วยแน่นอน ในฐานะตัวเอกย่อมต้องมีรัศมีตัวเอกหลี่วันอยากจะเห็นนักว่ารัศมีตัวเอกที่ว่านั้นจะเป็นอย่างไรในตอนเย็นหลีชิงผิงและลูกสาวเดินตามเจิ้งหยุนชงไปกินข้าวที่บ้านตระกูลเจิ้งอาศัยอยู่ในเขตทหารตัวบ้านมีห้องหลักหกห้องทางทิศเหนือทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมีอีกด้านละสามห้องลักษณะคล้ายกับบ้านสีประสานลานบ้านถูกปัดกว่าจะสะอาดสะอ้านทันทีที่พวกนางก้าวเข้าไปในลานเด็กชายสองคนที่กำลังเล่นสนกันอยู่ก็หยุดชะงักและจ้องมองพวกนางด้วยความอยากรู้อยากเห็นทันที สายตาคู่นั้นเหมือนกับกำลังมองลิงในสวนสัตว์ไม่มีผิดหลิวหวานไม่จำเป็นต้องให้เจิ้งหยุนชงแนะนำก็จำได้ว่าเด็กสองคนนี้คือหลานชายของเขาคุณพ่อของเจิ้งหยุนชงเป็นอดีตผู้บัญชาการระดับอาวุโสที่กเกษียณอายุแล้วลูกชายทั้งสองคนต่างก็รับราชการอยู่ในเขตทหารซึ่งลูกชายคนเล็กก็คือเจิ้งหยุนชงนั่นเองลูกชายคนโตและสภัยใหญ่เสียชีวิตในหน้าที่ทิ้งลูกชายไว้สามคนคนที่โตที่สุดอายุเพียง7็ดขวบส่วนคนเล็กสุดเพิ่งจะอายุได้ไม่กี่เดือน เจิ้งหยุนฉงจึงรับหลานชายทั้งสาคนมาดูแลด้วยตัวเองปกติแล้วผู้เท่าทั้งสองจะเป็นคนดูแลความเป็นอยู่แต่ในทางนิตินัยพวกเขาก็เปรียบเสมือนลูกชายของเจิ้งหยุนฉงด้วยเหตุนี้แม่เจิ้งหยุนฉงจะมีรูปร่างหน้าตาหล่อเหลาภูมิฐานและได้เป็นถึงรองผู้บังคับการกรมตั้งแต่อายุยังน้อยอีกทั้งยังมีฐานะทางบ้านและภูมิหลังที่ดีแต่กลับไม่มีใครกล้าแต่งงานด้วยมีลูกติดถึงสามคนใครแต่งเข้ามาก็ต้องกลายเป็นแม่เลี้ยงทันทีใครจะไปรับไหว หลายปีมานี้เจิ้งหยุนชงเองก็ยุ่งอยู่กับภารกิจทางทหารเรื่องการแต่งงานจึงถูกปล่อยวางไปโดยปริยายเรื่องนี้ทําให้ผู้เท่าทั้งสองกรุ้งใจจนแทบประอักแต่ก็ช่วยไม่ได้ในเมื่อเรื่องของความรู้สึกมันบังคับกันไม่ได้ครั้งนี้เจิ้งหยุนชงได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจกลับมาทำเอาผู้เท่าทั้งสองขวัญเสียไปหมดพวกเขาเสียลูกชายไปคนหนึ่งแล้วจึงไม่อาจแบกรับความสูญเสียลูกชายอีกคนได้อีกเจ้าชุนฮวาผู้เป็นแม่ของเจิ้งหยุนชงรู้สึกาซาบซึ้งใจต่อสองแม่ลูกประกูลหีเป็นอยย่างิ่ง นี่ไม่ใช่แค่การช่วยชีวิตเจิ้งหยุนฉงเพียงคนเดียวแต่มันคือการช่วยชีวิตคนทั้งครอบครัวของพวกเขาเอาไว้หนูคือชิงพิงใช่ไหมจ๊ะเจ้าชุนฮาวารีบเดินเข้าไปกุมมือหลีชิงพิงไว้อย่างกระตือรือร้นขอบตาของนางเริ่มแดงระเรื่อนั่งก่อนเถินั่งลงคุยกันหลีชิงพิงถูกต้อนรับอย่างดีจนเริ่มทำตัวไม่ถูกรอยยิ้มบนใบหน้าเริ่มดูแข็งข้างเล็กน้อยมาเถอนทั้งสองคนไม่ต้องเกรงใจในะคิดซะว่าเป็นบ้านตัวเองอยากกินอะไรก็กินได้เลย เจ้าชุนฮาวาเลื่อนจานผลไม้มเมล็ดแตงโมและถั่วลิสงที่วางอยู่บนโต๊ะไปทางหลีหวานพร้อมกับแสดงความซาบซึ้งต่อสองแม่ลูกอย่างเป็นทางการเจ้าหยุนชงสังเกตเห็นความอึดอัดของหลีชิงผิงจึงกระแอมไอออกมาคุณแม่ครับพวกเราไปคุยไปกินไปเถอะครับจริงด้วยอาหารทําเสร็จตั้งนานแล้วเดี๋ยวแม่ไปยกมาจากห้องครัวนะพูดจบเจ้าชุนฮาวาก็ลุกขึ้นไปที่ห้องครัวเพื่อยกอาหารออกมาหลีชิงผิงรีบลุกขึ้นตามทันทีคุณป้าขัดเดียวฉันช่วยค่ะไม่ต้องต้องหนูไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นจะ้ะ เจ้าชุนฮาวารีพรามหลีชิงพิงไว้จะให้นางเอกผู้ช่วยชีวิตมาทํางานได้อย่างไรเจิ้งหยุนชงจึงใช้ให้หลานชายไปช่วยยกอาหารแทนพร้อมกับแนะนําสมาชิกในครอบครัวให้หลีชิงผิงรู้จักหลีชิงพิงรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยที่เจิ้งหยุนชงยังไม่ได้แต่งงานคนที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้กับยังเป็นโสดท่านผู้เท่าเจิ้งเดินถือขาหมูรมควันสองชุดที่เพิ่งซื้อมาเพิ่มเข้ามาในบ้าน บนโต๊ะมีทั้งซี่โครงหมูตุ๋นไก่เป็ดและปลาละลานตาไปหมดเห็นได้ชัดว่าพวกเขาเตรียมการมาอย่างเต็มที่หลิวหวานทะลุมิติมานานขนาดนี้ยังไม่เคยได้ลิ้มรสเนื้อสัตว์เลยสักครั้งนางมองดูขาหมูรมควัน ม, มันวาวสีแดงสวยนั่นแล้วก็น้ำลายสมาชิกตระกูลเจิ้งหกคนรวมกับสองแม่ลูกตระกูลหลีอาหารเต็มโต๊ะขนาดนี้ย่อมกินไม่หมดแน่นอนชิงผิงป้าได้ยินหยุนฉงเล่าเรื่องของพวกหนูสองคนแม่ลูกแล้วนะมีอะไรให้ช่วยก็บอกเขาได้เลยไม่ต้องเกรงใจเด็ดขาด เจ้าชุนฮวานอบสังเกตหลีชิงถิงและหลีหวานนางรู้สึกถูกชะตากับสองแม่ลูกคู่นี้มากนางไม่มีลูกสาวและไม่มีหลานสาวพอเห็นเด็กหญิงตัวน้อยอย่างหลีหวานที่ดูเรียบร้อยอ่อนหวานก็นึกเอ็นดูสองแม่ลูกคู่นี้หน้าตาถอดแบบกันมาเลยเสียแต่ว่าหลีชิงผิงดูจะอาภัพไปหน่อยเมื่อคิดได้ดังนั้นเจ้าชุนฮวาก็เอาตะคีบเนื้อให้พวกนางไม่หยุดกินเยอะๆน่าจะพวกหนูพ้อมกันเกินไปแล้ว คนที่ไม่ได้กินเนื้อสัตว์มานานหากจูๆ่ๆมากินเนื้อเยอะขนาดนี้ตอนกลางคืนท้องไส้อาจจะปั่นป่วนได้แต่ตอนนี้หลีหวันไม่สนอะไรทั้งนั้นขอแค่ได้หายาก่อนก็พอคุณแย่ทำอาหารอร่อยจังเลยค่ะหลิหวานเอ๋ยชมตามความจริงเจ้าชุนฮวาได้ยินดังนั้นก็ยิ้มแก้มปรีด้วยความดีใจอร่อยก็กินเยอะๆเลยลูกเจ้าชุนฮวาอยากจะพูดอะไรต่ออีกหน่อยแต่ก็คิดว่าอย่าเพิ่งพูดมากเลยปล่อยให้สองแม่ลูกได้กินข้าวให้อิ่มก่อนจะดีกว่า ลานชายทั้งสของเจิ้งหยุนชงพอกินเสร็จก็ลุกเดินออกไปพวกเขาไม่ได้ไปไหนไกลเจ้าคนรองกับคนเล็กแอบเกาะขอบประตูจ้องมองสองแม่ลูกตระกูลหลีต่อพี่รองสองคนนี้คงเป็นแค่คนช่วยชีวิตอเล็กจริงๆแหละพี่คิดมากไปหรือเปล่าประมาทไม่ได้เด็ดขาดเราต้องระวังไม่ให้นางมาเป็นอสสไพของพวกเราจริงๆมีอสสไพซสักคนก็ดีนะเจ้าบือ้อมีอสสไพก็เท่ากับมีแม่เลี้ยงเจ้าเคยเห็นแม่เลี้ยงคนไหนดีกับลูกเลี้ยงบ้างละ่ะ ค้าเชื่อพี่รองก็ได้หลังจากกินข้าวเสร็จเจ้าชุนหวาก็จับมือหลีชิงผิงไว้แน่นอย่างอะไรอววรชิงผิงถ้าหนูว่างต้องมาคุยกับป้าบ่อยๆนะหนูไม่รู้หรอกว่าป้าต้องอยู่บ้านเฝ้าแต่พวกผู้ชายพวกนี้ทุกวันไม่มีใครให้คุยเรื่องในใจด้วยเลยได้ข่ะคุณป้าถ้าว่างฉันจะมานะคะหลีชิงผิงยิ้มตอบเสี่ยวหวันเริ่มม่วงแล้วพวกเราขอตัวกลับก่อนนะคะกลับเถอะจ้ะเจ้าชุนหัวโบกมือลาพร้อมกับเตือนเจิง้งหยุนชงให้ไปส่งสองแม่ลูกต้องส่งให้ถึงหน้าประตูห้องเลยนะ เจิ้งหยุนชงตอบรับด้วยน้ำเสียงทุ่มต่ำทราบแล้วครับคุณแย่สวัสดีค่ะหลี่วันเอ๋อลาเจ้าชุนฮาวาแล้วเดินตามแม่กลับไปสวัสดีจ้าเจ้าชุนฮาวาจ้องมองแผ่นหลังของสองแม่ลูกจนกระทั่งลับสายตาไปคนเขาไปกันหมดแล้วคุณนินจะมองอะไรอีกทันพูเทาเจิ้งมองภรรยาด้วยความฉง น, นเอ๊ะคุณไม่รู้สึกเลยว่าชิงพิงดูเหมาะสมกับลูกชายเราดีนะเจ้าชุนฮาวายิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าใช่ฉันอยากได้หลานสาว ม, มาตั้งนานแล้ว ท่านผู้เท่เจิงกลับมองว่านางคิดอะไรเพิรเจอร์ทำไมไม่ถามเจ้าตั ว, ตวเขาก่อนล้วว่าคิดยังไงวันนี้เพิ่งจะเจอกันครั้งแรกก็จองเขามาเป็นลูกสะพ้ายแล้วเหรอต่อให้จะรีบร้อนเรื่องงานแต่งของลูกชายแค่ไหนก็ไม่ควรจะรีบขนาดนี้ขืนไปพูดให้เขาฟังตอนนี้มีหวังได้ทําเขาตกใจกลัวจะหนีไปแน่ๆทางด้านเจิ้งหยุนฉงที่เดินไปส่งพวกนางถึงห้องพักเมื่อหันหลังเดินกลับมาถึงหน้าเรือนพักรับรองเขาก็เดินชนเข้ากับคนรู้จักเข้าอย่างจัง ลิวเคอร์อเคอร์อเบิกตากว้างด้วยความตกตะลึงพลางจ้องมองเจิ้งหยุนฉงนางโพร่งออกมาแทบจะทันทีว่าทำไมคุณถึงยังไม่ตายอีก